สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยสิบสี่เรื่องกรรมริษฐานของพระเยซูครั้งที่แปดสิบเก้าขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายพี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันชีวิตของผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะครับผู้รับใช้ท่านนี้คือ เป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าท่านได้เล่าให้ฟังว่ามีครั้งหนึ่งนั้นท่านไปเทศนาที่ค่ายใหญ่นะครับหลังจากมาถึงค่ายนะครับผู้คนก็ขอให้ท่านเทศนาเพิ่มอีกเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของคณะที่จะมาเทศนานั้นยังมาไม่ถึงจริงๆเจ้าหน้าที่ที่จะรับงานต่อจากท่านก็ยังมาไม่ถึงแต่จริงแล้วเขาประสบอุบัติเหตุครับพี่น้อง กุบัติเหตุซึ่งไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลปกติได้เรื่องเป็นอย่างนี้ครับน็อตตัวหนึ่งเนี่ยนะครับได้ปิวหลุดออกมาจากท้องจากรอครับจากรอรถพ่วงแท็กเตอร์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงสวนกันครับแล้วตัวน็อตเนี่ยนะครับก็ลอยทะลุ ก, กระจกหน้ารถเข้ามานะครับแล้วก็มา ปักอยู่ที่หน้าอกของผู้รับใช้ท่านนี้พีพ่น้องครับความเร็วของมันนะครับบวกกับความเร็วสวนกันของรถเนี่ยความเร็วของน็อตที่หลุดออกมานี่ก็เร็วและแรงเหมือนกับโดนลูก ป, ปืนนะครับภรรยาของผู้รับใช้ท่านนี้ที่โดนนี่นะครับเขาคิดว่าทีแรกเขาคิดว่าสามีเนี่ยถูกยิง เธอก็พยายามควบคุมรถรถให้หยุดได้แต่ปรากฏว่าไม่ได้ถูกยิงครับมันถูกน็อตนะครับที่หลุดออกมาจากรอยรถเนี่ยพุ่งมาครับ น, อน็นอตซะน็อตตัวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยพุ่งไปทางไหนไม่พุ่งนะครับพุ่งมาเข้ากระจกรถแล้วก็กระจกรถนี่น่าจะเฉี่ยวได้นะครับมันก็ไม่เฉียวมันพุ่งตรงมาเลยครับแด้ขอบคุณพระเจ้าครับ ชายคนนั้นหรือผู้รับใช้ท่านนั้นนะรอดชีวิตพี่น้องครับนอตตัวนั้นเนี่ยมันสามารถรอยมารอยผ่านไปนะครับหรือคนบางคนที่ไม่ใช่เป็นผู้รับใช้ท่านนั้นก็อาจจะมีแนวโน้มหรือมีโอกาสที่จะถูกได้แต่โอกาสมันน้อยมากใช่ไหมครับแล้วมันก็ค่อนข้างจะอธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลว่าทําไมผู้รับใช้ท่านนี้ที่กําลังจะไปรับใช้พระเจ้า ถึงได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาและนี่คือบทนำของคาอนิสฐานทูลขอที่เจ็ดขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายครับขอให้พ้นจากมันร้ายพี่น้องครับการงานของพระเจ้าที่เราทำอยู่ชีวิตของเราที่เราดำเนินอยู่แต่ละวันนั้นผ่านไปด้วยดีเพราะอะไรครับเพราะว่าเราได้รับการคุ้มของพินาศรักษาจากพระเจ้าการอารักขาของพระเจ้านะครับ มาถึงเรานะครับถ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างบ้านคนที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้เฝ้าอยู่เหนือนครคนยามที่ตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าเป็นการเหนื่อยเปล่านะครับที่ต้องลุกขึ้นในเช้ามืดกระหืดกระหอบกินอาหารเพราะว่าพระองค์ทรงประทานให้คนที่รักพระองค์นั้นหลับสบายดังกล่าวการนอนหลับก็ดีการมีชีวิตยอยู่ก็ดีการเดินทางไปไหนมาไหนก็ดี หรือแม้กระทั่งสุขภาพร่างกายของเราที่เราแข็งแรงก็ดีเป็นครับสิ่งเหล่านี้นั้นล้วนแล้วมาแต่การปกป้องคุ้มของอารักขาจากพระเจ้าทั้งสิ้นครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าครับที่เรามีพระเจ้าที่แสนดีเช่นนี้ทั้งทั้งที่เราไม่ได้มีความดีอะไรเลยแต่เพราะเนื่องจากความเชื่อความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าก็ปกป้องเราให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายให้เรามาดูครับว่าศัตรูของเราคือใคร สิ่งชั่วร้ายหรือซึ่งชั่วร้ายนั้นก็คือมารร้ายนั่นเองในพระบรมพิธีหลายฉบับนะครับเขาไม่ได้แปลว่าสิ่งชั่วร้ายนะครับแต่เขาแปลว่ามารร้ายแปลตรงๆ ต, ตัวครับนะฮะแปลตรงตัวขอให้พ้นจากมารร้ายนะครับซึ่งจะทําร้ายเราในทุกๆสถานการณ์ขอให้พ้นจากมาราร้ายซึ่งจะ ท, าาทํท า, าร้ า, า, ร า, ยรายเราในอุบัติเหตุตามถนนหนทางตามท้องถนน ขอให้พ้นจากมารร้ายซึ่งมันจ้องทำลายสุขภาพของเราโดยโรคร้ายและเชื้อโรคขอให้พ้นจากมารร้ายผู้ซึ่งจะทำร้ายเราในแบบที่เราคิดไม่ถึงพี่น้องครับมารซาตานนั้นมันมีหน้าที่มันมีจ o อบเดสคริปชันของมันอยู่ก็คือมันมาเพื่อที่จะลักลักนี่หมายถึงล่อลิงนะครับลักขโมยฆ่า <c oughs> หมายถึงฆ่าให้ตายครับ นรปลิดชีวิตครับแล้วก็ทำลายทำลายนี่หมายถึงทำลายวิญญาณจิตพ <c oughs> ี่น้องครับผมขอ ย, ยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งก็คือมีพระเชษฐอีกท่านหนึ่งครับท่านนำการประชุมอยู่นะครับพอหลังจากเลิกประชุมนะครับก่อนจะเลิกประชุมท่านก็นำพี่น้องอธิษฐานอธิษฐานตามแบบอย่างขององค์พระเยซูนี่แหละครับ แล้วก็มาถึงคำทูลขอที่เจ็ดก็คือขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายนะครับท่านก็อธิบายนะท่านอธิบายว่าขยายความว่าเป็นยังไงบ้างเนื้อหาความหมายของคำอธิษฐานนี้ประยุกให้เข้ากับผู้ฟังหลังจากที่สอนจบอธิษฐานจบท่านก็ลุกขึ้นเดินออกจากหน้าต่างนะครับไปยังธรรมาสต์ทันใดนั้นขณะที่เดินอยู่จากจุดนั้นหน้าต่างทั้งบานนั้นหลุดออกมาจากกรอบตกลงมาบนเก้าอี้ที่ท่าน กำลังกำลังลุกขึ้นมาปรากฏว่าท่านรอดครับเฉียดฉิวครับกระจกแตกกระจายไปทั่วที่ตะโกนก็วุ่นวายเสียงดังพี่น้องครับไม่มีใครบาดเจ็บหน้าต่างนะครับลวดลายสวยงามหนักพอที่จะทำลายหรือทุบ ก, กระโหลกจนเละได้พี่น้องนะครับพี่น้องคนส่วนใหญ่ในเหตุการณ์ก็บอกกับท่านว่า เขาเชื่อพระเจ้าคุ้มครองนะครับเพราะว่าคําอธิษฐานของพระเยซูที่ได้อธิษฐานไปเขาเชื่อว่าซาตานพยายามทําลายทุกคนที่เป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนควรอธิษฐานคําอธิษฐานของพระเยซูทุกวันเพื่อรับการคุ้มครองในส่วนตัวแล้วผมเป็นพยานได้นะครับว่าเมื่อครั้งตอนที่ลูกยังเล็กอยู่ผมได้อธิษฐานกับลูกทุกวันหลังจากที่ก่อนที่เขาจะลงจากรถครับ ตอนที่เราลงจากรถเข้าสู่โรงเรียนอธิษฐานว่าขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่ารชํานาธิริเตศริเป็นของพระองค์นี่คือคําอธิษฐานที่ผมอธิษฐานกับลูกทุกๆวันเมื่อเวลาไปส่งเขาที่โรงเรียนพี่น้องครับเราไม่รู้ครับว่าเราจะพบอันตรายใดในทุกๆวันใหม่เราจําเป็นที่จะต้องมีการคุ้มครองจากพระเจ้ามาปกคุ้มเราไว้ครับเพราะเนื่องจากซาตานพยายามทำลายทุกคน เราจึงควรอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูนี้ทุกทุกวันครับพี่น้องภาษาอังกฤษก็มีคำที่รับว่า every a a day makes the devil away every day y day นี่แปลว่าข้อเพิ่มพีนะครับ every a a day แปลว่าข้อเพิ่มพีเวละข้อ makes the devil away ก็จะทำให้มานมันอยู่ห่างไกลนะครับ เป็นคําขวัญของระวีเวลาศึกษานะครับในสมัยก่อนฟังดูสนุกสนุกครับเพราะมันเหมือนกับกลอนนะครับแต่มีความหมายครับแล้วมันฝังอยู่ในชีวิตของเด็กแค่อ่านพรพะกัมภีไว้แล้วก็นะครับก็จะได้รับการคุ้มครองจากอันตรายถูกไหครับครูละวีเวลาศึกษานั้นพยายามให้เด็กท่องจําพระคัมภีครับเพราะอะไรครับเพราะพระคัมพี์นั้นเป็นเหมือนกับอาหารหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราพี่น้องฟังทุกวันที่ผมพูดอยู่ นะครับพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันไข้ควรพระคัมภีร์ทุกวันอธิษฐานทุกวันนั่นแหละครับเป็นตัวที่ทำให้เรานั้นได้ปราศจากหรือคลาดแคล้วนะครับจากสิ่งชั่วร้ายและมารร้ายนะครับพระคัมภีร์ฉบับ g ิงเจมชัดเจนครับนะครับคิงเจมนิวคิงเจมเนี่ยบอกว่าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมารร้ายพี่น้องครับเรากำลังยอมรับว่ามีผู้ชั่วร้ายตัวใหญ่ที่สุดที่ จ้องทำลายเราอยู่ตลอดเวลาครับซาตานั้นหรือมานั้นเหมือนกับสิงครับที่วนเวียนรอบตัวเราแต่มันทำลายเราไม่ได้ครับถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตหรือเราไม่กรดตกนะครับกะเราต้องอย่าตกอย่าเปิดช่องให้มารและเราต้องมีท่าทีจะต้องต่อสู้กับมารโดยพึ่งพากําลังฤทธิ์เดช ท, ที่มาจากพระบิ ญ, ญาณบริสุทธิ์มาจากพระเจ้าของเรานะครับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดที่พระเจ้าให้กับเรานะครับในพระธรรมเอเฟซัส เราต้องสวมไว้นะครับเรายอมรับว่ามีผู้เชื่อนะครับหลายหลายคนทีเดียวที่พลาดไปและโดนมันทําลายนะครับเมื่อเราอภิธานคำอภิฐานนี้เราก็มายอมยอมรับว่ามารซาตานนั้นมีอิทธิพลอยู่นะครับยอมรับอํานาจของมารซาตานในระดับหนึ่งนะครับแต่พี่น้องครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าชีวิตคริสเตียนนั้นมีมาก ไปกว่าการร่วมน้ำสกาลหรือมาบทวันอาทิตย์นะครับชีวิตคิดเสียนั้นมีมากไปกว่าการยอมรับอำนาจการคิดเชิงบวกนะครับแต่เราต้องยอมรับว่าชีวิตนี้เป็นการต่อสู้ชีวิตคิเสียนั้นต้องเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นมันคือสงครามครับและการต่อสู้อย่าลืมนะครับเราอาจจะพ่ายแพ้ในบางครั้งในการสู้รบแต่ในที่สุดเราจะชนะสงคราม ขอพี่น้องได้มีโอกาสนะครับที่จะไข้ครวนถึงความจริงในประเด็นนี้และขอทิฐิฐานทุกๆวันนะครับเพื่อที่เราจะพ้นจากการทดลองและพ้นจากซึ่งชั่วร้ายพ้นจากมารร้ายอาเมน